ขอโนบโนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใกลจะกิดได้ตัดสู่ชอบได้โดยพระองค์แอนขอกราบคารวะคืูบาอาจารย์หลวพ่อคาเขียนหลวงพ่อคมแล้วก็เพื่อนศาธมิตรทุกท่านแล้วก็เจริญพรญาติโยทุกท่านนะครับครับทามสบายๆนะครับ ขพวกเราก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดปาสุกโตแห่งนี้เพื่อที่เป็นบวชนามเป็นบวโสแล้วก็เพือบวชหม่เป็นนวกะก็ดีมารวมกัน ออที่สกตโตก็เป็นเหตุปัจจั ย, ยก็มีมาปฏิบัติธรรมด้วยกันพวกเราก็อาศัยคำสองขอ ง, งพระพุทธเจ้าแล้วก็สิงบนไนที่พระพุทธเจ้าต้านไว้ก็เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ ปฏิบัติตามแนวคำสองของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งเป็นที่มีคุณค่ามากที่สุดเทวตมาก็เคยได้เรียนปรัชญาบ้านหรือว่าศาสนาอะไรต่างๆก็ปฏิบัติมาหลายแนวแต่ว่ารู้สึกว่าเป็น ทำสองกมพระพุทธเจ้านี่เป็นงานรืิแล้วก็เป็นงานวิธีการยกมือสั้นจังวะโดยแนวสติปธาน4นี่เป็นวิธีการที่มีค่ามีใช้ได้ดีมากสำหรับการปฏิปัต พัฒนาจิตใจแต่สิ่งวินัยนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแม้ว่าเราก็ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าสิ่งวินยัยก็มีบอกคร่อมหรือไม่มั่งกลก็สมาธิปัญญา ก็เกิดขึ้นมันยากก็เลยเราก็อาศัยมันสิ้นและบินัยไอคิดว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเบื่ไม่เคยปฏิบัติที่วัดเขารู้สึกว่าสิ้และบินัยนี่มันก็ทําให้เราไม่มีเส้ละ บ, บังคับเงินยนิดให้ได้แต่ว่าพวกเราก็คนได้ประสบการณ์จากการถือศิลถือวินยัยแล้วก็เออนี่แหละเป็นที่ทำให้จิตใจของเราให้สละมากขึ้น ทำไมาก็แต่ก่อนนี้ไม่รู้นะก็วันสินดิไหนนี่เป็นข้อมันก็ทำให้อิสระน้อยจริงๆอิสระทานด้านการกระทำอาจจะถูกบังคับอยู่แต่ว่าสินที่เคลื่อนนี่ทำให้จิตใจคนเราเป็นอิสระให้มากขึ้น เป็นเคลื่อนที่ดีเป็นอุบายที่ดีเพราะอะไรนะตอนแรกๆก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็พิจารณาแล้วก็ก็เข้าใจ <c oughs> ออนี่แหละเป็นศิ่งบินนยนี่ก็ทําให้พลังที่มีค่าที่เป็นสําคัญให้มากขึ้นเป็นพลังอะไรนี่ก็พลัง เป็นขันติก็ดีอาลาสมาธิก็ดีพรลนอาการเจริญสติก็ดีอระุธเจ้าก็ส่งไว้ว่าเป็นขันติเป็นเคลื่องยนชีวิตคือคาเป่ากี่เร่ยันจิ้น คีเดนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นธาตุของจิตใจธาตุของความคิดอารมณ์ต่างๆแต่ว่าถ้าเราถือศีลก็มีพลังกางอดทนออกเครงได้มากขึ้นเราไม่แพ้ สิ่งที่เป็นาอารมณ์ชอบไม่ชอบเป็นตังต้งหากิเลตั้งหาก็พอสื้อได้ชนะได้อันนี้ก็เป็นดีเป็นอนิสงส์การรักษาสิ่ถ้าเราก็ ตนได้มีคันติพอสมควรก็เราก็กลุมตัวคอนโทรลตัวเองได้ให้มากขึ้นมีการฉันทะหรือว่าาทิศฐานก็ มังคบมีมพลั ม, มากขึ้นต้านงบต้านใจวิทยะเขามาทามนพลังมั น, มมน ท, ที่มีดีนะเขาให้มาขึ้นได้ควอบคุมตัวเองนี่ก็มันสำคัญถ้าเรา มันพลันกิเลตังหามันแพ้แล้วก็พัฒนาจิตก็ไม่ได้ก็เลยมันก็ดีทำให้เรามีขันติมากขึ้นแล้วก็สมาธิก็มาขึ้นเชื่งว่า การพูจาริวาจารถ้เจ้าก็บอกว่าก็ยาพูเทจิญยาโกหกแล้วก็ยาซอเสียดกันทำให้ าเพื่อนแตกแยกกันด้วยการวาจาการผู้แล้วก็พูดหยาบพูดมันสกกับปรดอย่าพูเพ้อเจ้อพูดกันเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อยๆที่ไม่มีประโยชน์ บันที่เราก็ถ้าไม่มีศีลทางด้วยวาจาก็มันก็เป็นธาตุของความเคยชินที่เราก็เพื่อการเป็นนิสัยเพื่อยาเพื่อโซเซียลเพื่เอเฟเจอร์ไปเรื่อย มันก็ไม่มีสระมันทำตามคำพูดคำพูดก็เขียวกร้องกับความคิดด้วยก็เราก็จิตใจเราก็มันก็ส ก, กับปรกบ้านจิตใจมันพื้นซ่านคิดที่ไม่มีประโยชน์ เนื่อง่าคิดสินคนคิดร้ายทำให้พื่บาดเจ็บอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ถ้าถือศีลก็จะไม่ได้เพื่อตามอารมณ์เพื่อตามความคิดเราก็เยอดผู้กันได้ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ทำร้ายพื้นเด้ลตัวเองเราก็ก็ไม่พูดได้ถ้าเป็นเป็นอย่างนี้ก็เป็นจิตก็เป็นปกติจิตเป็นปกติก็ที่สมาธิก็มาขึ้นแล้วก็ เอาก็การเลือกอได้เลือกสิ่งที่ดีผู้ดีผู้จริงผู้งามื่อมีประโยชน์ทำให้คนติ่แตกแยกกันให้มีความสมัครสมั ก, กีกันเพื่อสิ่งที่เป็นเรื่องประโยชน์ตอย เวลาที่เหมาะสมอะไรต่างๆแล้วเราก็เป็นเจ้าของจิตใจเจ้าของความคิดเจ้าของงานวาจะ ไ, ได้เพราะว่าเราก็มีสิ่งสิ่งก็ช่วยเพื่อหัวอำเหนื่อย ให้มีสมาธิแล้วก็มีการเลือกใต้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มีสิ่งก็ช่วยเหลือให้เราสติมากขึ้นแผงเคลื่อนที่ดีทำให้ ส, สติก็มากขึ้นก็เพราะว่า เช่นถ้าเราเห็นอายุงมาจับที่มือจับที่ขาถ้าเราก็ไม่มีสิงก็ถกไปแต่ว่าถ้ามีสิงใม่ฆ่าสัตว์ ้เราก็ยุดได้หยุดได้แล้วก็มีโอกาสที่ได้เห็นความคิดความอารมณ์ความอยากว่าอยากกล้าหรือว่ารู้สึกคัน ทุกขำแพงาท า, ทางกายกึ้นทุกกเวทนนทางใจกึ้น์อ๋อเราก็ได้เห็นมันได้ถ้าเราทำตามอารมณ์ทำตามเคยจรินไม่มีสิ่งก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็น ใจของตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีโอกาสที่มันยุ่มากัดหรือว่ า, ามีสินไม่กินเหล้าไม่เสพยา ก, ก็ดี หรือว่าไม่กินอาหารเวลาวิการก็ถ้าไม่มีสิงก็เราก็ทาตามความอยากกินอยากสบก็กินไปเลยก็ไม่มีโอกาสที่ได้ดูจิตใจตัวเองได้เพราะว่าเราก็ทาตามมัน ก็ติดกับมันมันก็มันจมในอารมณ์แต่ว่ามีสิ่งก็ดีนะเราก็หยุดได้แล้วก็เห็นความอยากมันก็เกิดขึ้นอาเวทนาทุกเวทนาหิวหรือว่า อยากกินก็เราก็เห็นได้แล้วก็มันก็สิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นนาคารเราก็แหงเราก็ปล่อยไว้แล้วก็แป๊บหนึ่งก็หายไปได้มันตันอยู่ดับไปถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็มันก็เป็นตามธรรมชาติสิ่งที่เป็นทุกข์ทางกายก็มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์อาเบธนาทันจิตใจก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตัางหากกิเลนี่ก็ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวมันปล่อยมันการเห็นนี้ก็ไม่ทำให้เราไม่ติดผลที่เราติดตามตามอารมณ์นี้ก็แสดงว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นไม่มีจ้องว่านกับอารมณ์เป็นนาการ กับสินที่เห็นมันก็ติดเป็นอยู่ไหนนั้นก็เลยมันก็ดีมันสินนี้ก็เป็นเครื่อนช่วยเหลือให้มีสติเราลึกถึง แล้วก็เห็น อ, อาการเป็นดับ เ, เกเป็นดับมองเห็นธรรมชาติเห็นอนิจจันแล้วก็เห็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีต่ ม, ตมิแต่อากาท่ันนั้นเป็นเกิดขึ้นและดับไปก็ มันเป็นอนิสมที่การรักษาศีลทำให้มีกันติทำให้มีสมาธิเป็นสติแล้วก็ได้รู้แล้วไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาว่าเป็นอย่างนี้อย่า ง, ง น, น, นั้นอริยฌานเป็นอย่างนี้อนรัตาเป็นอย่างนี้ได้สัมปัตได้ไม่ใช่ คิดจำเราสัมผัสได้ประสบการ์ด้วยกายด้วยใจมาเป็นเจนนั่งเอนเป็นตถาธ า, ามันก็เกิดขึ้นก็เราก็เป็นอาศัยเป็นพื้นทามเป็นงานรักษาศีลมีอนิสงฆ์มากเพราะว่ามีประรัน ของเราให้มากขึ้นก็เพราะฉะนั้นนี้ก็เราก็มันอิสระได้อิสระนี้เป็นสุระจากจิตใจที่เป็นเป็นตังหาเป็นกีเลนี่ก็ มังทางไกลาจากเราได้ก็เป็นจิตใจมันก็อิสระก็ความว่างเปล่าให้เป็นมีคุณภาพเป็นจิตใจแ็งกุสมมังเวกขาใจไม่ยึดมั่นถือมั่น อยวานในได้ก็ เ, เพราะว่าเราก็อาศัยศีลในวินัยแล้วก็อาศัยพลาญจิตที่เป็นคุณก้าเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วจะเป็นปาเออเป็นพุทธศาสนานก็เป็นวัดว่าเป็นอิสระ คนที่เป็นเศรษฐีเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีรวยมีเงินมีมทอทำอยากซื้อกินก้าวอร่อยซื้อรถซื้อบ้านใหญ่ได้หรือทำกาอา่าทำไปเที่ยวไปที่ไหนได้ พอจริงๆมีการมีเงินมีทองก็ทำได้แต่ว่าถ้าพุทธศาสนาแง่พุทธศาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นกองอิสระยังเป็นทาสของความกิเลสต่างหาแล้วก็แม้ว่าเป็นคนรวยคนที่ทำอะไรได้ก็ไม่ใช่เป็นกองอิสระ แม้ว่ามีเงินมีทองน้อยมีพอดีพอกินโดยจากสันโดษแล้วก็ไม่หยุดมั่นถือมั่นแค่เป็นคองอิสระก็พระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาก็ก็เป็นถือว่าเป็น ความอิสระเป็นที่แท้จริงเป็นสารสนสน์าสารสนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการพัฒนาจิตใจกับการทำให้เราอิสระที่แท้จริงนี้ก็อันเดียวกัน แต่ไม่ใจเป็นสระต่างกายที่ทำอะไรได้เหสระที่ตานใจที่ไม่หยุดมั่นถือมั่นไม่เป็นธาตุของความคิดความทยัญญยาต่างหากีแล ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมันก็ทำให้ทุกข์พฉะนั้นนี้ก็ดีพวกเราก็รู้จักคุณมค่าพรสิได้บินในแล้วคุณค่าของ พุทธศาสนาเป็นธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่ความรู้ที่ได้มาจากการรมประสบการณของตัวเองแล้วก็รู้สึกมั่งกลม ว่าสิ่ที่ถูกต้มเป็นยังไงสิ่ที่ไม่ถูกต้นความปิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์ด้วยตรงเองเข้าใจด้วยตรงเองจากการปฏิบัติธรรมความรู้จาก กายความรูจจ้จักใจจริงๆแล้วเราก็ศึกษามาโดยไม่รู้ตัวตอนที่เป็นเด็กก็ก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าเป็นสินที่ถูกต้มไม่ถูกต้มสินที่มีค่าไม่ค่าเนี่ยไม่มีค่าก็ทําไปเรื่อยๆโดยมันสังคมถือว่าเป็นอย่างนี้ดีสังคมบานสังคมก็อกินเหล้า ามากโกษเก่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราก็อ้อเชียพิ จ, จิตใจร่างกายสุขภาพก็ทำให้ซ่อมๆทำให้มีโอกาสทะเลาะ อ, อกแวงกับเพื่อนกันได้ง่ายเสียเงินเสียทองออก็ไม่มีประโยชน์ แล้วก็ทำลายสติปัญญาพวกเราก็รู้ด้วยตรงแอนด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็เรารู้ว่าอ๋อไม่มีเร้าก็เราก็มีความสุขมีเป็นกังเองกับเพื่อนก็นได้ไม่ต้องอาศายัยเร้าอะไรต่าง หรือว่ามีเงินทองไม่ใชไม่ไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็ได้แล้วก็พอมีพอกินอยู่ได้มีความสุขได้นี้ก็เป็นความรู้ที่แท้จริงเราก็อยู่ที่ไหนอยู่กับใคร ก็เราก็อยูうう่เป็นสุขได้ด้วยไม่ต้องอาศัยสินด้านนอกแห่งเงินทองกด็ดีมีรายต่างๆเป็นด้านานอกก็แสดงว่าคงที่เป็นอิสระแล้วก็คนที่เป็นสุขเกษม พิแทจินได้ประสบการณ์ดีนะคำสองของพระพุทธเจ้าสายสิงสมาธิปัญญาเป็นเกลื่อนจเจริญจะพิจิตใจของเราทุกๆกล น, นะครับก็สำหรับอยานนี้ก็ขอบพระัน เพียงแคน่นี้ขอสไต์นี้ก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่าน ม, มีความสุขความเจริญ้วยสินย้นโดยสมาธิปัญญาคำสองของพระพุทธเจ้า เ, เป็นเจริญพัฒนาจิตใจให้เรื่อยเรื่อจนถึงมรรคป น, นิปานทุกทุกคนเติ่